ธันวาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันธรรมดาแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จจนจะถึงปีใหม่พวกคณะธา ญ, ญาโจมก็โดยมากจะทำบุญทำบุญส่งท้ายตรง้ายปีเก่ารับปีใหม่โดยมากบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ทาบุญแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าน้ำท่วมทางกรุงเทพก็ทำให้พี่น้องชัดไายญาติโยมทางกรุงเทพรู้สึกว่าชาซาลงเหมือนกันไม่เหมือนปีคนก่อนแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศวัดเราก็หนาว <c oughs> หนาวกว่าทุกทุกครั้งนะหลวงพ่อว่านะ มีน้ําค้างมีน้ําค้างหล่นด้วยวันนี้แต่ตามไม่จริมันก็ถึงหน้าหนาวของหน้าหนาวของมันนะนะเดือนธันวาเดือนหน้าหน้านี้แหละเป็นหน้าหนาวล้วเข้าหน้าหนาวล้วเนี่ยธันวามกราพอถึงกุมภาแล้วก็รู้สึกว่าจะห่างค่อยๆจางๆไปแหละแต่การปฏิบัติธรรม ในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราอยู่พวกเราอยู่อย่างนี้อยู่เพื่ออะไรอยู่ทำไมอยู่หวังอะไรต้องการอะไรที่เป็นนักพจนักบวชที่มาอยู่ในป่าดงพงภัยอย่างนี้มาอยู่ทำไมมุ่งหวังอะไรทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงจะไม่ถาม ถึงไม่ถามถึงใครจะไม่ถามก็คือความคำถามอยู่ในตัวเสร็จแต่คำตอบก็คือว่าเรามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเรามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านได้ตัดสรู้ธรรมท่านในบรรลุธรรมท่านได้เห็นธรรมท่านบอกว่าโลกทั้งโลก เต็มไปด้วยความทุกข์จะหาความสุขถ้าพิจารณา อ, อันไหนคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้หาดูซิให้ค้นดูซิแต่นี้พวกเราก็มาพิจารณาดูแล้วว่าที่เราได้ค้นคว้าศึกษาดูแลว้วความสุขของมนุษย์จริงจริงทิฏฐาฟอจริงจริงมันหาไม่เจอเหมือนกัน ทาจะว่าทานอาหารอาร็จอร่อยเป็นที่พอใจผลที่สุดพอตามไปสุดท้ายก็เป็นความทุกข์อีกบางทีปวดท้องบางบางทีปวดหนักปวดเบาที่มันจะออกไปถ้าไม่มีห้องน้ำห้องสวมรองรับมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้น ถ้ามีเงินคำทรัพย์สมบัติมากๆมีความสุขไหมก็จุดนั้นก็หาความสุขไม่ได้อีกในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราวิเคราะห์ อ, ออกมาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านชี้ธรรมชี้แน่ว่าเกิดมามนุษย์ไม่ว่าจัดชั้นวรรณะไหนตะกูลไหนลํำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหน ความทุกข์อยู่ในอยู่ในระดับนั้นแต่มันมากน้อยต่างกันเหมือนกับเหล็กถ้าเหล็กมันหยาบสนิมมันมันก็เยอะต่อมาที่มาต่อมาเหล็กบางอย่างสนิมมันก็น้อยลงต่อมาสนิมสเตนเลสมันไม่มีสนิมแต่ก็ยังมีสนิมอยู่น้อยลงก็คือตามขั้นตอน คนเราเกิดมาก็เหมือนการบางคนก็ทุกข์ยากลําบากเพราะหาอาหารใส่ปากใส่ท้องก็ลําบากอันนี้ก็ทุกข์ใหญ่แต่มีอาหารใส่ปากท้องก็จริงอยู่แต่ก็อยู่มีทุกข์อยู่ในระดับหนึ่งแต่อาหารปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ทางด้านจิตใจเอไม่ได้สมหวังดังปรารถนาก็มันก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นโลกในโลกทุกข์ถ้าสรุปลงแล้ว นี่แหะที่ว่าหนทางที่จะหนีออกจากทุกนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้นําต็มท่านบอกว่ามีหนทางที่จะหนีออกจากทุกได้ที่จะไม่เมาทุกมารับทุกอย่างนี้มีอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านจึงได้วางทําคําสอนออกมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอน ของพบกพุทธเจาทุกทั้งหลายออกมาจากใจสุขทั้งหลายออกมาจากใจทุกสุขมันอยู่ที่ใจท่านจึงให้ดูที่กายที่ใจกายคืออะไรกายคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือนามธรรมนามธรรมอยู่ในใจอยู่ในตัวของเรา ต่เนี้ยคอตาตาเขาลองไปเห็นรูปกระใจของเราน่ะมันไปเปิดหน้าต่างสรุปแล้วก็คือตาของเราเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างของใจหูเป็นหน้าต่างของใจจมูกเป็นหน้าต่างของใจลิ้นเป็นหน้าต่างของใจกายเป็นหน้าต่างของใจใจมันอยู่ข้างในเวลามันเห็นรูป เมื่อเห็นแล้วมันก็ส่งภาพเข้ามาหาใจพอใจไม่พอใจถ้าเห็นรูปที่น่ารักก็เกิดความรักความชอบกิเลส ก, การมาลาคะถ้าไปเห็นรูปไม่พอใจแสดงอางกับกิริยาเขาแอมแอบเลิ้นปิ่นตาใส่สแสดงอารมณ์ให้เราเห็นตาไปเห็นมันก็ส่งกับพ้าใจใจของเราก็ไม่พอใจ ถ้าได้ยินเสียงเพราะๆสงก็มาหาใจใจก็มีความสุขเป็นที่พอใจถ้าเขาด่าเข้ามามันก็ไม่พอใจสรุปแล้วก็คือใจมันอยู่ข้างในขันท่าว่าขันท่าตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่มันเป็นประตูเป็นประตูของของใจใจออกไป ไปรับรู้ทางกายทางวาจาไปรับรู้ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางกายล่ะทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวอย่างนี้เราไม่พอใจมันหนาวค่ะส่งเขาปัหาใจอีกใจไม่พอใจใจไม่พอใจไม่พอใจในการสัมผัสทางกายทามันร้อนมันก็ไม่ไม่พอใจถ้าเจ็บไข้ที่ป่วยใจเขาไม่พอใจ พอมันร่างกายนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือกายใจอาศัยกายตาหูจมูกลิ้นเป็นหน้าต่างของใจ ใ, ในครั้งพุทธการสัมมเนรสอนพระเถระผู้ใหญ่สอนพระเถระท่านหนึ่งพระเถระท่านนั้นท่านเรียนทางปริยัตจบพระไตรปิฎก แต่ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโปธิรัตไบาลานเปล่าทั้งที่ท่านจบพระไตรปิฎกนะโปธิรัต ท, ท่านไบาลานเปล่าไบาลานเปล่าเป็นที่รู้กันว่าท่านไม่มีธรรมะในใจลักษณะอย่างนั้นท่านคงรู้สึกเสียใจที่พระพุทธเจ้าทักอย่างนั้นท่านเออใช่เราก็ไม่มีธรรมในใจจริงๆเราควรจะ ไปหาธรรมท่านก็เลยขโมยหนีออกจากพระที่ท่านแนะนำสั่งสอนอยู่ตั้งห้าองค์ในท่านเป็นคณาจารย์สอนศิษยั้งห้ารอองค์ท่านก็ห น, นีไปหนีไปก็เข้าไปป่าไปเห็นพระกลุ่มหนึ่งส0 ร, รูปสาสิพว ร, รูปเป็นพระเถระรือถึงตนถึงสัมมเนนพระเถระเป็นพระหันทั้งหมดในกลุ่มนั้นอยู่ในป่า ท่านก็เข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่แต่ว่าท่านอาจารย์ครับผมจะมาขอศึกษาธรรมะมาเรียนศึกษาธรรมะจากท่านอาจารย์แต่วท่านอาจารย์โปรดเมตตาผมด้ว ย, ด, ว ย, ด, วยด้วยครับท่านอาจารย์องค์ใหญ่ก็ท่านก็มองดูท่านมีญ า, าณทัศญาณทัศนะเนี่ยท่านรู้จักอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเละอะไรเป็นอะไรนี่โอ้ท่านอาจารย์เรียนจบมาทัพพไตรปิฎกทั้งปริยัต บริบูรณ์แล้วจะมาให้ผมสอนได้ยังไงผมสอนไม่ได้เอาท่านอาจารย์ถึอยังไงก็สอนแนะนำผมเถอะผมมั่นใจว่าท่านอาจารย์จะสอนผมได้เอาเถอะผมก็ไม่พร้อมที่จะสอนให้ององอ ง, องต่อไปสอนกันแล้วกันไปฟังไปศึกษากับท่านนะคใายก็ว่าโยนลงไปก็ไปหาองค์ที่สององค์ที่สอกงก็โยนลงไปองค์ที่สมองค์ที่สมโยนลงไปองค์ที่สี่ ไล่ลงไปเรื่อยจนไปถึงเนนน้อยเ ไ, ไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายเนนน้อยก็เป็นพระรหันต์แต่พระเถระผู้ใหญ่องค์นี้ท่านเป็นจบมาทางฝ่ายประยัดปไตยปิฎกคล่องหมดเลยพระสูตรพระวินยัยพระประมตธธรรมแต่ใจของท่านยังไม่ได้เป็นพระรหันต์ท่านก็ไปหาสมาเนนน้อยสมาเนนน้อยไม่รู้จะโยนไปที่ไหนที่มันองค์สุดท้ายแหะ เนน้อยก็ถามว่าท่านอาจารย์จะเชื่อผมอยู่หรือถ้าผมสอนเนีอาจารย์ก็ว่าเชื่อท่านเนนน้อยบอกอะไรเราก็จะฟังเราก็จะเชื่อฟังเนนน้อยเออท่าอย่างนั้นท่านอาจารย์จะเชื่อผมอ่ะตามหลังผมตามตามหลังผมมาก็เลยเดินตามหลังสมมเอ็นไปพอไปถึงข้างทางสมมเอ็นก็บอกว่าอาจารย์เข้าไปในป่าเนี แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าเข้าในป่าเพราะอะไรเนี่ยไม่ได้ถามเพราะสัมมณีบอกให้ไปเขาไปเพราะว่าเราเชื่อเขาแล้วเนี่ยเออธรรมเนจรบอกให้เข้าป่าเดินเข้าป่าเลยเดินชวบช่วบก็ไปในป่าสรร ม, มเนจรครับคนิมนต์ท่านอาจารย์ออกมาไปเดินไปอีกไปเห็นน้ําไปเห็นสระน้ําอยู่ข้างๆอาจารย์ลงน้ํำนาะยอาจารย์อาจารย์ก็เดินตุมดุมลงไปในน้ําอีกเกือบผ้าจะเปียกนละ พาหม่มพาจีวรที่คุมไปนะจะเปียกอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาได้มากระเดินขึ้นมามำเนนก็มั่นใจว่าอาจารย์บอกอะไรเชื่อฟังหมดต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังถ้าไม่ไม่ศรัทธาแล้วจะมาเถียงอยู่ในใจมันสอนกันไม่ได้แต่นั่นก็เป็นนั่งอยู่ในที่เหมาะสมแห่งหนึ่งและก็ สอนอาจารย์นะแ่ไนอาจารย์ผมจะสอนเป็นแนวแนวความคิดนะให้อาจารย์สังเกตที่ผมจะสอนให้ท่านอาจารย์นึกวาดมโนภาพนึกดูที่ผมจะสอนที่ผมจะบอกกล่าวนะมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีโพนใหญเหมือนกันภาษาอีสานว่าโพนใหญ่ อ, ญอแต่ว่าภาษากลางว่าจอมปลวก มีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่ห้ารูมีรูอยู่ห้ารูรารแล้วมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในนั้นหรือว่าตะกวดใหญ่หรือแลนใหญ่อยู่ในนั้นอยู่ในจอมปลวกนั้นมันออกหากินอยู่ตลอดแต่ทีนนี้เราจะจับเหี้ยใหญ่หรือตะกวดใหญ่ตัวนั้นเร า, เราจะจับยังไง ก่อนที่จะจับเราต้องหาใบไม้มัดเป็นฟ่อนจะทำให้เป็นฟ่อนอุดรูอุดรูสี่รูไว้ก่อนพออุดรูเสร็จแล้วก็ขุดตามรูใดรูหนึ่งเข้าไปเพื่อไปหารูดักมันมันจะลงไปข้างล่างนะเป็นรูดักมันแ้าปิดรูซะก่อนถ้าว่าไม่ปิดรูมันจะออก มันจะออกทั้งรูใดรูหนึ่งแต่ในรูปิดซะสี่รูเอาไว้รูหนึ่งขุดตามรูนั้นเข้าไปอาจารย์ก็จะจับตัวเหี้ยได้และจัดการเลยจัดการกับตัวเหี้ยนั่นเลยอาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูดท่านได้เรียนปริยัตมาแล้วเนี่ยท่าเข้าใจเข้าใจสัมเณีนเข้าใจเอาไป ถ้าเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัตินะจากนั้นท่านก็ไปนั่งเถอะนะเถอะนะนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิถ้ากาหนดเอมไม่ให้ไม่ให้อารมณ์ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านดูใจอย่างเดียวนะคือตัวเฮียน่ยตัวคือใจนะมันออกตัวเฮียมันออกไปหากินใช่วล่ะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ได้ในการนำเข้ามาดูดูใจตัวเดียวใจมันนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลาเนี่ยจากนั้นท่านกอดมมันจะมีอะไรมันดกติดุดิมันคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดชั่วอยู่ในจิตใจมันก่อนที่มันจะออกไปมันก็คิดจะก่อนมันจะส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นท่านเมื่อพิจารณาเห็นตามความไปอีกท่านกอืมพิจารณาใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ผลในสุดท่านก็จำพิจารณาทุ่มลงจุดนั้นเลยปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนะใจของท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหานในในวันนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ประคันรักูดีวัดปาเชือตะวันท่านมองเห็นเออพระโปธิลัตเนี่ยท่านกำลังภาวนาอย่างอุดกุกฤตท่านส่งกระแสจิตมา ใส่จิตมาเอานะโปธิรัตต้องพิจรารณาอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะเพราะท่านโปธิรัตถึงท่านยังไงท่านก็จะได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านจะได้เป็นผู้สอนธรรมะให้แก่ศิษยานุศิษย์ผู้ใหญ่อีกต่อไปภายภาคหน้าองค์หนึ่งแต่ช่วงนะั้นเป็นช่วงที่ทรมานจะต้องให้ให้พระโปธิรัตต์รู้จักไม่ใช่จะเรียนแต่ปริยัตอย่างเดียว ต้องปฏิบัติให้สําเร็จมรรคผลด้วยพระองค์ทรงกระแสจิตมาทั้งกสอนพอสอนท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในขณะนั้นจากนั้นกท่านก็ได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่แนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ทางด้านจิตใจมั่นใจในการแนะนําสั่งสอนของท่านองค์ท่านด้วยนี่แหละสรุปแล้วคื อ, คอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณา ให้ทวนทีทีทวนแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคืออยู่ในตัวของเราเนี่ยเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างของใจใจออกส่งออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายท่านจึงเปรียบเทียบว่าใจเหมือนกระแหยใหญ่หรือโดร์ตัตะกวดหรือแลนใหญ่อยู่ในใจมันออกหากินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยู่ตลอดเวลา ถ้าสิ่งไหนพอใจไม่พอใจก็โกรธให้เขาถ้าสิ่งที่พอใจก็รักนะถ้าสิ่งอยากได้ก็โลภสรุปแล้วก็คือถ้ามันมีกายมันมีแต่ใจถ้าเป็นเทวดาจะมีไหมมันก็เป็นกายเทพอีก อ, อย่างเก่าเทวดาก็มีตาหูจมูกลิ้นแต่เป็นของทิพแต่มนุษย์เนี่ยมันเป็นของหยาบตาหูตมูกจมูจมกลิ้นกาย แต่พอจอมปลวกมันแตกเไงตะกวดตอนนั้นก็วิ่งหาไปไปหาจอมปวกอื่นอีกอาศัยอีกต่อไปอีกนทามันทามันไม่จบอทามันยังรุ่มหลงอยู่แต่ถ้ามันหมดความรุ่มหลงมัวเมาแล้วก่อนนั่นแหละตะกวดตัว น, นั้นก็ฮรู้แจ้งเห็นจริงเป็นบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรมรม อันตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พรและเจ้าภาพที่มากับร่วมทาบุญในวันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลเน้อให้พระตูละเมอที่มรณภาพไปดวงวิญญาณตู่ละเมออยู่ณถิ่นใดที่ใดก้อให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเน้อพวกญาติพี่น้องในทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะคณะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศล